<c oughs> ให้พวกเรานั่งตั้งใจฟังและวให้นั่งภาวนาฟังให้สํารวมใจของตัวเองแล้วก็นั่งฟังไปเพราะเรามีเวลาจํากัดเรามีเพดานจํากัด45นาทีก่อนบ่ายโมงนี่ <c oughs> ก็หมดเวลาแล้วเป็นเวลาเล็กน้อยเองแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับหัวใจของเราของท่านทุกคน อย่าลืมว่าธรรมะมนะันมีความสําคัญสําหรับหัวใจของเราทุกดวงหัวใจของพวกเราทุกๆดวงมีความจําเป็นมากเกี่ยวกับพระธรรมของสมเด็จพระพุทธสัมสัมพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความสําคัญอย่างไรธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนสักจัดทําให้กับหัวใจของเราเรายืนเดินนั่งนอนและมีชีวิตมีกายมีใจอยู่ก็าตาม แต่เราไม่รู้จักภาวะของตัวเองถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะไม่รู้จักภาวะของตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเราเลยเสียท่าเสียทีให้กับไฟต่าใจของเราทุกท่านทุกดวงเป็นธาตรู้เกิดขึ้นมาพร้อมกับมีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนมาด้วยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มีอยู่โดยอัตโนมัติมันหากมีขึ้นด้วยพฤติกรรมของเราเอง ที่ท่เดียก ว, ว่ากิเลสกิเลสกิเลสถ้าเราระวังไม่ดีกิเลสนี่แหละมันจะล่วงกระเป๋าเราที่ี้เราขึ้นลิฟตมาเราเห็นมีอยู่ถ้าเราระวังไม่ดีกิเลสจะล่วงเอาอะไรในบัญชีของท่านระ <il> วังให้ดีกิเลสในหัวใจของเรานี่ถ้าเราไม่ศึกษาเข้ามาเราไม่รู้จักเรื่องวิชาการความรู้ทั้งหลายทั้งปวงมากมายที่เราเรียนรู้กันนี่เราสามารถเรียนรู้ทันกันหมด จบเรียนยาคีด็อกเตอร์คีด็อกเตอร์เราเรียนรู้ทันกันหมดขแขนงสาขาการทํางานตําแหน่งเล็กๆตําแหน่งใหญ่ๆตําแหน่งรับผิดชอบสูงๆเนี่ยเราสามารถเรียนรู้เท่าทันกันหมดแต่กิเลสหัวใจของเราถ้าหากเราไม่เรียนเราไม่รู้เราไม่ทันเราไม่ทันหัวใจของเราเองเป็นอย่งงางนั้นจริงหรือเป็นอย่งงางนั้นจริงจริง ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะไม่มีความโลภความโกรธอิจฉาดิษยาพยาบาทอันนี้เราอยู่ในสังคมที่เรามีความเกี่ยวข้องกันมีความผูกพันกันและมีการขวนขวายแย่งชิงการทำมาหากินซึ่งกันและกันกิเลสทั้งหลายมันจะแทรกเข้ามากับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ระมัดระวังเราตกเป็นเบี้ยล่างพลอยทําสิ่งที่ไม่ดีพลอยเราได้รับกองทุกข์องโทษจากสิ่งลิขิตตามมา จากพฤติกรร ม, ข, รอรรม ข, ของเราเองเรารู้ทันไหมกิเลสของเราในใจของเราเรารู้ทันไม่ได้เพราะฉะนะพระพุทธเจ้ารวมทั้งครูบาอาจารย์พระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกท่านเป็นหงอยใหญ่นักหนาสำหรับพวกเราชาวพุทธซึ่งเป็นชาวที่มีบุญที่สุดที่เมาบัตรเละได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าในรู้ข้อเทจ็จรจริงด้วยสัจธรรมตามหลักธรรมชาติทั้งหลายทัุกดวงที่เราเกิดขึ้นมา ท่านจึงไม่ให้เราทิ้งฐานทิ้งสินทิ้งภาวนาหลักที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาท่านสอนให้เราละชั่วสอนให้เราทำดีถ้าหากเราสนใจแค่ละชั่วแค่ทำดีจิตใจของเราก็ายังปนเปื้อนวนเวียนอยู่ในวัตฏะสงสารไม่รู้จบจบภพภูมิของเราอัตภาพหนึ่งอัตภาพหนึ่งมันจะไม่อยู่เท่าเดิมมันจะไม่อยู่คงที่มันจะเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงแล้วก็ดับไปสลายไป เป็นอัตภาพเป็นอัตภาพแต่จิตคือผู้รู้ไม่ดับไม่สลายไม่สูญหายไปจากโลกตัวนี้แหละเป็นตัวที่ก่อภพก่อชาติทําให้เราวนเวียนในวัฏฏะสงสารไม่รู้จกจบไม่รู้จกสิน้นแต่ไปด้วยพลังของพฤติกรรมของเราภพชาติไหนที่เราทําดีมากๆก็จะหมุนภพชาติของเราไปสูงหน่อยละเอียดหน่อยภพชาติไหนที่เราไปตกในภูมิที่ไม่ดีเอาพฤติกรรมที่เลวๆมาสร้างมาทําก่อโลก จัดไม่จบไม่สิน้นก่อโกรธอิจฉาริษยาฆ่าแกงกันไม่รู้จกจบเพิ่มภูนอำนาจให้โอกาสกับตันหาราคาไม่รู้จักจบไม่รู้จกสิน้นจริงเรานี้ก็ผูกพันเราไว้ในวัตอุสารไม่รู้จกจบไม่รู้จกสิน้นเพราะฉะนั้นท่านจิงสอนให้เราทําใจให้บริสุทธิ์สกิจตะประโยชน์ดันังญ์เอตังพุท ธ, ธาน า, าสาสนังพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนสอนเหมือนกันหมดทําไมท่านจึงสอนเหมือนกันหมดเพราะ แต่และองค์ที่ท่านได้บรรลุท่านม า, อ, าบอบัตเพื่อบรรลุเพื่อรู้ธรรมรู้ข้อสัจจะสัจจะทั้งหมดนี้แหละเป็นสัจจะที่มีประจําโลกเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่อย่างนั้นที่มีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นทําไมเราจึงมีความสุขทําไมเราจึงมีความทุกข์อะไรเป็นเหตุ <c oughs> ที้เรามีความสุขอะไร <c oughs> เป็นเหตุที้เรามีความทุกข์ความสุขกับความทุกข์เนี่ยเรายึดเข้ามาด้วยเหตุใดเราจึงยึดเข้ามาเราผลักออกไปด้วยเหตุใดเราจึงผลักออกไป ธรรมชาติของใจของเรามันเป็นธรรมชาติที่รู้รู้เหมือนอย่างเราม า, าบรบาดเป็นมนุษย์เรามีตาเรามีหูเรามีจมูกมีลิ้นมีกายและน้องนึกในภายในที่เรียกวัยใจตาเป็นช่องหนึ่งที่ใจมันออกไปรู้ไปเห็นเห็นรูปหูเป็นช่องหนึ่งที่ใจมันออกไปได้ยินได้ยินเสียงเนี่ยเรารับรู้รับทราบได้ตาก็เป็นสื่อเข้ามาถึหงหัวใจของเราเสียงก็เป็นสื่อเข้ามาถึงหัวใจของเรา เสียงดีเสียงดีเสียงนิ่มเสียงนุ่นนวลเสียงประกอบได้ประโยชน์จิตใจมันก็ชอบมันก็ยินดีจิตใจแต่เสียงที่อ่อนที่หวานไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเสียงที่กระตุ้มกระติ้งกระตอกกระต้านทำให้เราต้องตกตกใจเสียงดุเสียงด่าเสียงกระทบกระแทกเด่นดังถ้าเป็นเสียงแบบนั้นมันไม่ชอบในเมื่อมันมันไม่ชอบมันก็พยายามผลักออกผลักออกแล้วมันสั่งสมมาเป็นกับกับไม่รู้จกจบไม่รู้จกสิ้นเป็นเหตุให้เรามีกองกอง กองกิเลสกองหนึ่งที่ เ, เรียกว่าโทสะโทสะโทสะมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความโลภความโลภคือความต้องการตาเราไปเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามได้ยินเสียงที่ไฟร้องเพราะเพลงมันก็ยึดเ ข, ข, ข, ข, ข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาหนักๆเข้าไม่มีเมืองพอไม่เป็นที่พอโดยเหตุที่เราเกิดมาหลายพวกลายชาติหลายกัปหลายกัปมันเลยก่อตัวเป็นความอยากยึดเข้ามายึดเข้ามา จ น, นจนเป็นกิเลสของใหญ่ที่เรียกว่าความโลภความโลภในหัวใจของเราไม่มีใครสร้างให้เราเราฟังตามนี้แล้วเราจะรู้ว่าพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้เราสร้างเราเองเราทําเอาเอง <c oughs> <c oughs> เราจะมีโลภจากเราจะมีโกรธจากทั้งโลภทั้งโกรธนี้เราขาดการวินิจไฉไข้ครครวญให้กับหัวใจของเราเองเราไม่เคยย้อนมาดูหัวใจของเราว่าทําไมมันจึงยึดเข้ามาทําไมมันจึงผลักออกไป การที่จะมาเรียนรู้ถึงต้นตอของจิตของใจของเราเราไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ในเมื่อเราตกเป็นทาสของตัณหาแล้วตัณหามันอยู่ข้างหลังมันผลักดันให้เราไปข้างหน้าอยู่ทะพื้นทะปือไม่รู้จบยกไม่รู้จบสิ้นนี้เราเสียท่าเสียทีให้อยู่อย่างนี้วิชาธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านให้ย้อนมาพิจารณาพฤติกรรมของกายของเราพฤติกรรมของวาจาของเราพฤติกรรมของใจของเราพฤติกรรมกายกับวาจามันก็มาจากพฤติกรรมของใจ ตัญหามันพาจิตของเราพาใจของเราที่ทะเลาะกิเลสอันนะั้นมันเกิดขึ้นเพราะมันสังสมตัวมันเองสังสมอะไรสังสมความโลภความโกรธสังสมความรุ่มหลงนี่แหละจนตกผลึกมาเป็นนุษย์ใสนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของเราเวลาเราต้องการมาแก้ในภพชาติธร่เร า, าบติมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างนี้อย่างยุคปัจจุบันที่เราจัดให้มีการฟังเทศการอบรมการศึกษาธรรมะอยู่อย่างนี้มันเป็นระยะเวลาที่สั้น เราจะมาดึงชุดเดียวให้มันหมดออกไปมันก็หมดไปไม่ได้เพราะมันสั่งสมมาเน้่นนานเราต้องมาปฏิบัติมาะมาล้างมาขัดมาเกลากันสิ้นระยะเวลาที่เนิ่นนานและก็ต้องได้ทำอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะแรงของฝ่ายต่ามที่มันตามเข้ามานี่มันมีความละเอียดลอะออพร้อมที่จ ะ, ะชี้ชี้นำแล้วก็ดึงจิตของเราไปอยู่ใน อำนาจรับมันได้อย่างง่ายได้เพราะเราเป็นบ่อยเราเป็นธาตุว่ามันมาเนิ่นนานเวลาเรามาต้องการชะล้างในระยะที่สั้นมันจะชะไปไม่ได้ถ้าเราจะเที่ยวไปมาเป็นเหล็กที่มันลอยขึ้นสนิมกรดกรังมาระยะนานแล้วนำมาถูชุบชุบชุบชลให้เหล็กเหล่านั้นกลายเป็นเหล็กขาววับขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ใจของเราเป็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านจึดศรีเรามาพิจารณาเรื่องเหล่านี้ ให้เราวางพื้นฐานมาตั้งแตานู้นเริ่มหัดเสียสละให้ทานขยับมาที่การตั้งใจรักษาศีลการตั้งใจรักษาศีล น, นี้มีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญที่มาสงบระงับดับกิเลสที่ปลายเหตุของกิเลสขยักก ร, รมกับวิญีจกรรมนี่อยา่อยาลืมว่าเป็นปลายเหตุของกิเลสนะมันนึกมันคิดนึกคิดเรื่องรักเรื่องเรื่องชอบนี่แหละนึกคิด อยู่ในหัวใจของเราเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียเนี่ยแหละเนื้คิดมากๆเข้ามาทะลักออกมาที่กายเอากายมาสนองเป็นกา ย, ยกรรมเนื้คิดมากๆอยู่ในหัวใจของเราแล้วมันทะลักออกมาที่วอายอาจา ม, มาสนองตกผลึกเป็นวัจีกรรมนี่คือคือกรรมกรรมเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากใจเนื่องจากตัณหามันมีอยู่ในหัวใจของเราตัณหามันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงก่อตัวมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ไรเมื่อไหร่ เรารู้เบื้องต้นเบื้องต้นของผู้รู้เราพระพุทธเจ้าท่านไม่ไม่ได้ทรงบอกว่าเกิดขึ้นจากสิ่งนู้นสิ่งนี้ผู้นั้นสร้างคนนี้ทํามไม่มีเกิดขึ้นจากการพัฒนาด้วยตัวของตัวมันเองเพราะมันเป็นธาตรู้เราใช้คําว่าธาตรู้ก็เหมือนอย่างเรามีใจเราเคยย้อนเคยย้อนมาดูไหมใจของเราเนี่แหละคือธาตรู้ธาตรู้แต่ธาตรู้นี่มันอาศัยพลังของอะไรอาศัยพลังของพิติกรรมของมันเองมนุษยมาก่อ กรรมทำเขียนในสิ่งที่ดีที่งามอามากรรมทำในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ชอบมันก็เป็นกายสุจริตหรือวาจาสุจริตมันออกมาในทำในสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นวากายทุจริตวาจีทุจริตหมายว่ากา ย, วากายชั่วใจชั่วกายชั่ววาจาชั่วากายกายดีวาจาดีนะระ ประพฤติ ด, ดีประพฤติชั่วสุจริตแปลว่าสุจริตะจริตะแปลว่าประพฤติสุแปลว่าดีทุจริตทุจริตทุแปลว่าชั่วจริตะแปลว่าประพฤติชั่วประพฤติดีประพฤติชั่วประพฤติดดตามอำนาจของตัณาหาในหัวใจของเราตัณหามสะสมกอ่อตัวมานน่นนานจากพฤติกรรมที่เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นปีกมีกายมีใจแล้วก็ไปยึดไปเกาะสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่พอใจ มากอ่อตัวจนเป็นเห็นเป็นกิเลสกองอยากกองละเอียดอยู่ในหัวใจของเราเป็นเหตุที่เราจะต้องมาแก้กันเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแก่พระพุทธเจ้าท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ครุกคลีตีมองมากับโลกใบนี้จนเป็นเห็นหน้าเบื่อห น, หน่ายหนารำคาญอยากจะพ้นทุกข์พ้นทรจึงต้องมีปณิธานทั้งความปรารถนาขอให้รู้ขอให้รู้ขอให้รู้เพื่อที่จะออกจากช่องทางที่จะทําให้เราวนเวียนในวัฏฏะสงสาร สิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารคำว่าวัฏฏะสงสารก็คือเวียนวนเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายอัตภาพร่างกายมันเสื่อมมันสลายมันตายแต่จิตใจไม่เคยตายจิตใจไม่ตายจิตใจเป็นธาตุรู้ธาตุที่มาประกอบกันเป็นกายมันก็ไม่เสื่อมสลายหายไปไหน ก็ไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟตามภาวะดั่งเดิมของเขาเราไปดูเถอะสมมุติเราคนของเราเนี่ยไปฝังฝังแล้วมันเน่ามันเปื่อยส่วนเป็นเนื้อส่วนเป็นน้ํามันก็ละลายมันกอแท้งหายไปส่วนเป็นไฟก็สูญจะลายไปละเอยไปเป็นธาตุไฟไปธาตุลมก็ไปเป็นธาตุลมธาตุน้ําก็ไปเป็นธาตุน้ําเรามาดูตอนที่มันไม่มีผู้รู้เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นศสอยู่นั่นแหะ ถ้าเราปล่อยเอาไว้โดยลาพังเขาจะพยายามแยกไปเป็นตามภาวะของไข่ของเราดินก็จะไปเป็นดินน้าก็จะไปเป็นน้าลมก็จะไปเป็นลมไฟก็จะไปเป็นไฟแต่ถ้ารู้นี่ทิ้งไปแล้วออกไปแล้วทิ้งอัตภาพนี้ไปเที่ยวจับจองให ม, ม, รรม่ไปตามบุญตามกรรมรไปตามบุญตามกรรมตราบใดที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่มีข้อปฏิบัติที่จะมาตักวัฒน์วเหล่านี้ได้ เรา <Stones. S 1> ก็วนไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบมันอย่างลองตาท่านว่าไม่ต่างอะไรกับมดแดงไต่ขอบกระดองขอบกระดองมันกลมๆขอบกระดองกระดองฟัดข้าวหนาหนามันกลมๆน่ยมันไม่มีจุดเริ่มต้นมันไม่มีจุดสิ้นสุดไปทั้งวี่ทั้งวันมันก็ไม่จบมันมีบนขอบอยู่บนนั้นแหละวัตตะสงสารของเราเกิดต้องมีต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วได้เหตุที่กิเลสมันมีเชื้อที่จะไปเกิดอีกก็ไปเกิดอีกเกิดแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายอ่ บางพะบางชาติเราทำดีเรามักอบัติเป็นมนุษย์ได้มนุษย์สมบัติทำดีเกินนี้ไปละเอียดขึ้นไปอีกได้สวรรค์สมบัติแต่มันก็มีอายุไขจํากัดเป็นมนุษย์ก็มีอายุไขจํากัดไปเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นก็มีอายุไขจํากัดเป็นรูปประรมชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นก็มีอายุไขจํากัดถึงขั้นเป็นอารูปประพรมชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นก็มีอายุไขจํากัดพอหมดอายุไขก็หมุนมารับกรรมใหม่กรรมอะไรที่เราควรจะได้จะถึงเราก็ บางพวกบางชาติเราก็ทําชั่วช้าลังต่ำสั่งเราก็ไปอบัตเป็นสัตว์เป็นสัตว์ตัวเล็กเป็นสัตว์ตัวใหญ่เป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีก็ไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายบางทีก็เป็นตองรกเป็นสักรกดวงวิญญาณของเราเนี่ยคือจิตของเราคือธาตุรู้ของเราจะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของเราการให้ผลของกรรมให้ผลได้อย่างไรการให้ผลของกรรมใจของเรากระดกกระดิกพลิกแปลงเป็นเรื่องของมโนกรรม ใบช า, าของเรามาพูดกระดุกกดิกพลิกแผงด้วยคําพูดเป็นวจีกรรมกายของเราเาไปสแสดงกิริยายืนเดินนั่งนอนตบตีฆ่าแกงอะไรต่ออะไรใช้กายไปกระทําด้วยเรี่ยวแรงของกายกลายเป็นกายะกรรมกายะกรรมกับวจีกรรมกับ ม, มโนกรรมนี่แหละมันเป็นพลังที่เราทําเราทํากรรมเข้าไปการที่เราลงมือทํากรรมนั้นมันเป็นการสร้างเหตุ ในเมื่อเราลงมือสร้างเหตุแล้วผลจะต้องตามมาเราต้องการหรือไม่ต้องการผลก็ต้องให้ผลเหมือนอยันเระยนต์ฟุตบอลใส่กําแพงโยนใส่กำแพงนี่โยนกระทบพื้นแรงที่มันไปกระทบนี่ยแหละมันจะทําให้ฟุตบอลก็าลังก็เด้งโยนมากเด้งมากโยนน้อยก็เด้งน้อยหรือวัตถุที่ไม่ก็เด้งมันก็จงแฉลบ่ยไม่เชื่อเราลองเอาหนังกระติกลองไปยิงลองดูยิงถูกเสาหรือถูกกาแพงหรือถูกอะไรก็แล้วแต่ เราแรงกระทบของมันมันมีทั้งเสียงมันมีทั้งแฉลบ ไ, ไปนู้ไปนี้สารพัดนั่นคือแรงกระทบกรรมที่เราแสดงด้วยกายด้วยวญญาจาด้วยใจจะต้องมีผลตอบสนองเพราะการที่เราแสดงออกไปนะั้นมันเป็นการสร้างเหตุผลที่จะตอบสนองกลับมาก็จะต้องมีการตอบสนองพฤติกรรมบนเวียนในวัฏจสงสารของเราไปเช่นเดียวกันนี่แหละเราจะได้ประสบความสุขจได้จะได้ประสบความทุกข์เราก็จะต้อง ทช่องทางที่เป็นเหตุเพื่อความสุขอย่างแท้จริงเราจะประสบความทุกข์ยากความลาบากโดยเหตุกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะต้องรู้จักช่องทางที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความยากความลาบากเราก็พยายามหลีกพยายามละพยายามวดพยายามเว้นอันนี้เป็นพฤติกรรมทีท่ท่านให้เราศึกษาเพื่อจะได้เป็นช่องทางถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามขยับเข้ามาที่หลักหลักก็คืออะไรการให้ทานมีผลมีอเนสง ขยับมารักษาศีลขยับมารักษาศีลนี้ม า, านมารักษาพฤติกรรมทางปลายของตันหามันแสดงออกมาที่กายตั้งแต่รักษาศีลด้วยกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ละสัพ์ไม่ลดพืชปีนกาบนะฮะเราถือศีนแค่สามข้อมีผลมีในสทําให้กายกรรมของเราบอร่อที่สุดขึ้นมาได้วาจาไม่พูดเทสพูดยาพูดซอเสียดพูดฟอยเจอร์เป็นเหตุกระทุ้งกระแทกแดกดันทําให้คนอื่นได้รับความบาดหมางได้รับความบาดใจได้รับความ เจ็บช้ำน้ำใจอะไรต่อไรนี่ก็เป็นเหตุให้เราได้มโนได้กายได้วจีกรรมที่บริสุทธิ์ทําให้กรรมกายกรรมของเราบริสุทธิ์วจีกรรมของเราบริสุทธิ์เราระงับปลายเหตุแต่ตัวเหตุนี่แท้จริงมันอยู่ในใจเนื้อคิดมากๆทลักมาที่กายเป็นกายกรรมนื้อคิดมากๆทลักมาที่ไหวจ่าเป็นวจีกรรมเมื่อเราเอาสินมากํากับที่กายกรรมทางวจีกรรมได้สามารถรักษากรรมสองอย่างนั้นให้บริสุทธิ์ ท่านท้งหลายอยากมีกรรมเป็นผู้มีกรรมบริสุทธิ์ตั้งใจรักษาศีลให้เด็ดขาดใครตั้งใจรักษาศีลห้าก็ถือศีลหให้ครบเส็จแล้วท่านดูไปที่ใจของท่านท่านจะมีความสุขท่านจะไม่ไม่้องมีเวรมีภัยที่จะต้องไปฆ่าสัตว์จะต้องไปละรัพย์อย่าลืมว่าฆ่าสัตว์เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมลักะซั์เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมหรู้พื้นผิดในกรรมเราเบียดเบียนลูกเขาผัวเขาเมีเขาเขาก็จะเบียดเบียนผัวเขาลูกเขามีเรา เราดูหัวใจเวลาคํามาเบียดเบี่ยนเรารู้สึกยังไงบางคนหนึ่งถึงฆ่าแกงกันมันมีทุกข์มีโทษถึงขนาดนันะ้นนี่คือการผิดศีลเราสงบนะครับได้แค่นี้เรามีความสุขการตั้งใจรักษาแค่ศีลแค่นี้เราก็มีความสุขเราจะเริ่มเห็นผลเห็นอันในสงที่พระพุทธเจ้าทัาสงมันอยากให้เราถือตามทำตามประพฤตตามปฏิบัติตามต้องการขยับเข้าไปเพื่อจะรู้หน้ารู้ตาของกิเลสตันหาใน ห, ในหัวใจของเราย้อนเข้าไปที่ใจของเรา ท่านจึงให้เรามีการอบรมใจอบรมใจนี่คือหลักของสมถะหลักของวิปัสสนาเนี่แหละมาอบรมเราไปอบรมเหมือนอย่างที่เราอบ ร, อบรมที่นู่นอบรมที่นี่อบรมหลักวิชาการทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นเรื่องอื่นนอกไปจากวิธีการของใจทําดีทำชั่วให้รู้ตามหลักการวิชานั้นวิชานั้นทํางั้นจะได้กําไรทํางั้นจะขาดทุนทำงานจะเป็นอุบายขั้นหนึ่งขั้น2อขั้น3ามเพื่อจะได้มาสําเร็จผล เป็นเป็นผลที่ยิ่งใหญ่ออกมาอย่างนี้อย่างนี้เรามีวิบากเรามีวิธีการที่เราจะทําแต่วิธีการที่พุทธเจ้าท่านให้ทํานั้นท่านให้หยุดใจเนื่องจากตัณหาในหัวใจของเรา ด, ด, ดิ้นดิ้นดังกล่าวไปแล้วนะัตัณหาในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราสร้างเรามาเองตัณหาคือความอยากความริ่นรนทะยอทยานของใจความขับเคลื่อนไปของใจไม่รู้จัะจุดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น ขับเคลื่อนไปอยู่อย่างนั้นแหละขับเคลื่อนไ ป, ไปตามอำนาจของความอยากขับเคลื่อนไปตามไปตามอานาจของความโลภขับเคลื่อนไปตามอำนาจของความโกรธด้วยเหตุที่ไม่ได้ยินไม่ได้ศึกษาขาดสติขาดปัญญาด้วยอำนาจของความลุ่มหลงนี่แหละ ท, ท่านจะให้เราย้อนมาพิจารณาเรื่องล่านี้เราต้องการจะต อ, อ, ก, อ ก, กันกับตัณหาในหัวใจวองเรา ตันหาในใจของเรามันพาเรานึกเราคิดเราปรุงเสร็จแล้วมันก็สวมรอยมาตามนั้นนึกคิดปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นมันคอยจะมาสวมรอยตามที่เราปรุงเรานึกเราคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านยิงให้เราปรุงทำการปรุงทำนี่ก็คือเราเอาทำมาบริกรรมนั่นเองอเราเอาทำมาบริกรรมเช่นอย่างเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธเอาพุทโธมากำกับที่ใจเอาพุทโธมากำกับที่ใจมี เครื่องมัดจิตมัดใจคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมจะเรียมว่าสติธรรมคือคุณสมบัติของใจสัมปชัญญะธรรมในหัวใจของเราคือคุณสมบัติของใจเราย้อนมาที่ใจเราจะรู้ตั้งสติตั้งเจตนาตกรรมมาที่ใจของเราใจของเราจะตื่นรูเหมือนกับมีความสว่างสวยในตัวเองีคในหัวใจของเรา เ, เพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่มากับใจนี้เป็นฝ่ายธรรมะแต่สิ่งที่ปนเปื้อนมา จับใจฝ่ายไม่ดีนั้นนะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งธรรมะทั้งกิเลสจะเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเราเองคือการกระทำํำจากกิริยาที่กายที่วาจาที่ใจเราสรุปมา ส, สั้นๆอย่างนี้ทําให้เราไม่ทิ้งหลักของกายกายกรรมวัจจิกรรมมโนกรรมทําให้เราเข้าใจเรื่องหลักของกรรมเราพูดถึงหลักของกรรมเราอย่าไปคิดว่ามีมน้นมาทำมีนี่มาทำมีเทวบุตรมีเทวดามีมารมีอินมีพร้อม เป็นเวนเป็นกรรมจับเจ้ากรรมกับนายเวนที่นู่นที่นี่เราพูดถึงกรรมแล้วมาดูพฤติกรรมที่ใจของเราที่กายของเราการกระดกกระดิกพลิกแพลงเขามันนั่นแหละเรียกว่ากรรมเหมือนอย่างมือของเราเนี่เรามาเขียนงสือๆๆๆๆๆๆๆขึ้นมาเนี่นี่ก็เป็นกายอย่างกรรมเอากายมาเขียนเอาปากมาอ่านเอาปากมาพูดเอามานษย์มานีเน่เป็นวาจาเป็นพฤจีกรรมพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างนี้แหละท่านเรียกว่ากรรม แสดงออกมาแล้วมันไม่ใช่จะสูญหายไปเปล่าที่ไหนมันตกผลึกเป็นวิบากกรรมก็เหมือนอย่างเราไปพูดให้คนดีโ อ, อดีใจตกผลึกเป็นว่เป็นวจีกรรมอ่าโดยทําลอง เ, เอาวาจาของเราไปพูดไปด่าไปทอนู่นนี่ทําให้เขาเครียดแค้นชิงชังขึ้นมากลายเป็นทุจริตว่าจีทุจริตกลายเป็นกรรมที่ไม่ดีไอ้กรรมไม่ดีกักรรมไม่ดีนี่มันส่สงผล กรรมไม่ดีส่งผลให้เราได้ประสบความทุกข์อยู่เนืองๆเหมือนอย่างเขาด่าเราเนี่คิดขึ้นมาแล้วเก็บใจคิดขึ้นมาแล้วก็เจ็บใจเหมือนมีอะไรชิมแทงอยู่ในนั้นคิดขึ้นมาแล้วก็น้อยใจคิดขึ้นมาแล้วเสียเปลี่ยนคิดขึ้นมาแล้ก็ น, น้อยใจเครียดแค้นจริงชอยู่ในนั้นนี่คือความโทษเพราะฉะนั้นถ้าใครแสดงคนนั้นก็นเป็นการสร้างเวียนสร้างภัยแก่แ ก, กันและกันไม่จําเป็นกับผู้ที่เราแสดงกับเขาเขาจะต้องมาตอบสนองเราไม่ใช่เราจะได้รับจากใครก็ได้ ที่โคโรนัจะแสดงความเจ็บแสบน้าใจให้กับเราเรื่องกรรมที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นไม่ใช่ว่าทํา1ึ่ได้นทํสองได้2ให้ผลร้อยเท่าพันทวีมันไม่เฉดไม่เหมือนวัตถุนะเอาเกันมาแลกได้5ได้10นะเอาไปซื้อของเอออันนี้5บาทซื้อสบาทได้ส้มสองลูกนี้นะอา้า ซ, ซื้อซื้อสบาทได้ส้ม4ี่ลูกมันไม่ใช่วัตถุแบบนี้ เรื่องของบุญของบาปในใจของเราเนี่ยให้ผลร้อยเท่าพันทวีท่านจึงให้เราตั้งใจสำโดมรมะระวังถ้าหากเราหลงเผลอทำกายกรรมเวจีกรรมมโนกรรมในทางที่ไม่ดีพับทับถมหัวใจของเราร้อยเท่าพันทวีบางทีเรื่องเดียวแก๊กเดียวนี่แหละสามารถดึงเราไปนกรกไปเอาเวจีได้เลยมีเรื่องของการให้ผลทางด้านจิตใจเรื่องการทำดีแวบเดียวเรื่องส่ศรัทธากับพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่แวบเดียวเท่านั้นเอง ทูาทให้เราได้ไปอุบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีทิพย์อลังการเต็มไปหมดเหมือนอย่างนิทานที่าพูดเอาไว้ในธรรมบทนะมัตตกุณทลีนะพ่อเป็นมิจฉาทิฐิไม่รู้อยากทําบุญไม่รู้อยากให้ทานลูกชายกำลังรุ่นรุ่นนี่แหละเป็นโรคผอมเหลืองพ่อเนี่เป็นคนตรณีลูกผอมเหลืองไม่ยอมหาหมอมารักษามาดูแลไปถามคนนั้นเอ้ลูกมันไม่ผูดไม่แข็งแรงอย่างนี้ผอมเหลืองอย่างนี้อ่า รักษาด้วยยาใด ไ, ไปถามคนนุ้นถามคนนี้เขาบอกมาแล้วก็มาหานุ้นมาต้มให้กินหานี่มาต้มให้กินด้วยเหตุที่เจ้าของไม่ได้เป็นหมอไม่รู้จะไปรักษาอย่างไรให้ลูกเราดีขึ้นลูกนี่ย ส, ส, สุดลงสุดลงสุดลงในที่สุดเห็นว่าลูกจะไม่รอดลูกจะไม่รอดเพราะพ่อไม่กล้า ด, ด้วยความจะนีไม่กล้าไปหาหมอมารักษาลูกเป็นเสียทีน่ะเป็นเสียทีไม่ได้พาลูกทำบุญให้ทานอะไรเลยเขามิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างนั้นแหละพอรู้ว่าลูกไม่รอดทันนั้น ถ้าจะปล่อยลูกนอนตายอยู่ในบ้านเดี๋ยวคนอื่นเข้าไปในห้องจะไปเห็นสมบัติเอาลูกมาไว้ข้างนอกห้องลูกก็นอนข้างนอกห้องอยู่ระเบียงระเบียงบ้านข้างหน้าข้างหน้าบ้านเลยนะแต่ว่ามันอ่อนเต็มทีแล้วมันจะไม่อยู่แล้วมันจะไปแล้วจะขาดใจตายแล้วนะมัทกุวชลีนะลูกชาย น, ะนอนหันหน้าเข้าหาฝ่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาบินสบาตเป็นไปจากพระพุทธองพรุ่งเสด็จม า, ทบบาท เ, ท, เมาท่านั้นเอง รกแผ่รัศมีไปไปกระทบที่ฝ่ามัทกุธรียนอนหันหน้าเข้าหาฝาเพราะเห็นรัศมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปกระทบที่ฝาเรืองอารามสว่างสวายอ่อนนิ่มจับจิตจับใจเรื่องใสศรัทธาแสงอะไรรู้สึกก็ชู่จิต ช, ใชูใจมีกําลังมีเรื่องมีอะไร<า>็อันภูมิโอ้พระสมณะโคดมอูมีฤทธิ์มีเดชมีอานาจถึงขนาดนี้เกิดความเรื่องใส่ศรัทธาขาดใจตายตอนนั้นเอง ขาดใจตายตายตอนขณะที่จิตเรื่อมใสที่สุดนะท้องไทยไม่เคยทําบุญให้ทานนะหุ้นไปอุบัติบนสว่วนชั้นดาวดึงบึ้ดเดียวก็ไปปรากฏแล้วเหมือนคูแขนแล้วก็เหยียดเหยียดแขนแล้วก็คูอ่านี่คือการไปอุบัติตายปุบ๊บไปเกิดบนสว่วนชั้นดาวดึงติทันทีทีนี้หลังจากลูกตายมาแล้วพ่อเนี่ยเสียทีนเอาลูกไปเผาเผาแล้วก็ไปร้รงองไห้ต้องเผาลูกทุกวันทุวันมัตตคุณธลีพอไปขึ้นบน บนนั้นนไปเป็นเทวดาบนนั้นแล้วเนี่ยมาเราฝืนว่าเอ้เราได้สมบัติเหล่านี้ด้วยเหตุดายเนอโอ้เริ่มใสศ ร, รัทธากับพระสมณะโคดมแป๊บเดียวเท่า น, นั้นเองทําให้เรามีบุญเมียอันนี้สมบัติึงสวรรค์ชั้นดาวดนึ่งอันนี้เราพูดเปรียบเทียบ ม, มาให้พวกเราทราบว่าผลอันนี์ของบาปของบุญมันไม่ใช่หนึ่งได้หนึ่งได้สองมันให้ผลร้อยเท่าบันทวีแค่นั้นเองได้ไปได้มหาสมบัติถึงขนาดนั้น ก็เลยมาย้อนดูถึงพ่อเราเฮ้ยพ่อเราไปร้องไห้ตรงที่เผาเราทุกวันทุกวันทุกวันก็เลยอยากจะใส่จะใส่จะใส่ปัญหากับพ่อบ้างอันนี้นมีอยู่วันหนึ่งพ่อไปไปร้องไห้อยู่ตรงโน้นตรงที่เผาลูกของเราบัรทุกบจะลี่ก็ไปร้องไห้เหมือนกันอยู่ห่างออกไปนี่ไปร้องไห้ให้พ่ออย่างนี้เลยเอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี้เี่ยจ้าของเนี่ยร้ยองไห้มาควแรงแล้วอ้าวเด็กนมที่ไหนมาร้องไห้อยู่ตรงนี้เลยไปถามพ่อนุมร้องไห้อะไร มีรถมีมีดุมมีเพลามีงอนมีแอกมีไถมีอะไรงามมากแต่ว่าขาดล้อสองล้อไม่มีล้ออยากได้ล้อพ่อหนุ่มอยากได้ล้ออะไรอยากได้ล้อทองอยากได้ล้อเงินจะอะไรนี่เราจะเอาให้ลูกชายก็รู้อยู่แกลีใจว่าพ่อจะาของตำดีปล่อยให้เจ้าของตายเฉยๆไม่หาหมอไปรักษารู้อยู่เกลียดใจท่านเศรษฐีได้พูดได้ไม่มีข้อสัจจะไม่มีข้อเท็จจริงอะไรอ อยากได้พระอาทิตย์อยากได้พระจันทร์มาทำล้อรถบ้าแล้วใครจะเอาพระอาทิตย์พระจันทร์มาทําล้อรถได้อา้าโน่นนี่พระอาทิตย์พระจันทร์เรามองเห็นทุกวันนะทำไมเราจะเอามาทําล้อรถไม่ได้ท่านเป็นบ้าแล้วแล้วท่านมาร้องให้ทําไมล้อมให้หามัตตคุณชลีลูกชายของเราและลูกชายของท่านไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ระหว่างคนที่ร้อมให้หากับสิ่งที่ไม่รู้ ลูกเจ้าของตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนกับคนที่ร้องไห้และยังมองเห็นอยู่ ใ, ใครจะโง่กันใครจะบ้าวกันฟังด้วยเหตุด้วยผลไปแล้วยอมมัตตคุณเลีเอ้ยพอพูดไปพูดมาสักหน่อยหนึ่งก็เลยแสดงให้ปรากฏลูกนี่แหละคือมัตตคุณเลี่อา้าวแล้วลูกเป็นอะไรทำไมต้องมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ลูกไป อ, อบไงไงปุบับบตาาิบนสวรรค์บบชั้นดาวดึงลูกไปอบัติได้ยังไงลูกมีความเคลื่อนไสเลื่อนพิธีแวบเดียวกับพระาสมณโคดมนั่นเองไอส่งบัตมากมายมหาศาลบนสวรรค์ชั้นดาวดึง มีทิพอลังการสูง80โยชน่ะโอ้ยอลังการอยู่สุขสบานั้นก็ทิพย์อันนี้ก็ทิพย์เต็มไปหมดพ่อเอามัตตกุณธลีไม่เชื่อพุทธเจ้าเลยเนรมิตให้มัตตกุณธลีมาปรากฏเฉพาะหน้าพระองค์กับเศรษฐีที่เป็นพ่อของมัตตกุณธลีเนี่ยเลยถามทราบความว่าความเลื่อมใสศรัทธามันชักจูงให้จิตของเราอ่อนนิ่ม และก็ได้ผลได้ในส่งยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้นถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นซึ่งมีมัตตคุณธลีเป็นประจักษ์พยานอยู่ดีพวกเราทั้งหลายเดี๋ยวนี้พวกเราชอบไปเที่ยวที่อินเดียอินเดียสังเวสังเ ว, งเวชนิยสถานสถา น, สถานที่พุทิยาประสูตัสุรุ ป, ปริพานต่อไปภายหน้ากุลบุตรมีความคิดถึงเราซึ่งเป็นศาสดามากราบสังเวชนิยสถานจะทําให้เกิดการสังเวส เกิดการสลดเกิดการสังเวชเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถึงเราแม้สิ่งนั้นเกิดช่วงแวบเดียวตายแล้วใคจะไปสู่สุคติสวรรค์ได้นี่เราเทียบได้กับแวบเดียวของมัทธกุลทะเลใครเคยไปอินเดียเคยได้ไปประสบการณ์อย่างนี้บ้างไหมถ้าเคยไปบ่อยๆแล้วไปทําเหตุถูกต้องเราได้รับความปลืม้มพิติยินดีจากการที่เราไปกราบสังเวย ท, ที่พระเจ้าประสูตรที่ตรัสรู้ ที่แสดงธรรมจกักแลก้วกบที่ปริพันธ์นี่ก็เป็นเหตุให้เราได้บุญพระันพพุทธเจ้าท่านจึงปลูกฝังฝากฝั ง, งเอาไว้ให้พวกเราไปกราบไปไหว้สังเวยชนิชสถา น, นาใครไม่เคยไปตลอดชีวิตก็ไปได้แต่ถ้าหากใครตั้งใจภาวน า, าธรรม้ใจได้รับความสงบแล้วมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นหลักธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาในภาวะของกายของเราในภาวะของใจของเรา ไม่ต้องไปกราบที่โ น, น้นก็ได้เรากราบที่ น, นี่ที่เรานั่งอยู่ตรวไหนเราอยู่อยู่ตัวไหนผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพุทธิยถาส่งประรัเอาไว้เป็นปริศนธธรรมให้พวกเราทั้งหลายขวนขวายศึกษาเพื่อให้เราได้เข้าถึงอาจเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้แล้วก็พูดถึงเหตุเพื่อความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างด้วยเหตุนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เป็นอยู่ด้วยเหตุนี้ท่านสอนให้เราเรา มีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็มีสิ่งชักจูงจิตของเราให้ไปสู่ความสุ่ความเจริญอย่างแท้จริงได้นี่ตัณหาในหัวใจของเราโดยเหตุที่เราไม่เคยย้อนมาทําให้เราคลุกคลีที่มองอยู่กับความรุ่มหลงอยู่ทุกระยะทุกเวลามารู้จกไม่รู้จบจสิ้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่เราเข้าไปจัดการท่านจึงให้เราเจริญสถมถะพุทโธพุทโธให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์ของธรรมหาสมบูรณเราอยู่ทั้งวันเราอยู่ทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเราอยู่กับพุทโธได้ ผลรายได้ของเราเป็นเรื่องของธรรมที่จะเรียกว่าธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากการกระทําโดยอํานาจของธรรมนั่นแหละเนขาเรียกว่ากรรมจะแลกับผลที่ตกผลึกอมาเป็นวิบากของธรรมแต่ถ้าหากเราไม่มากํากับอ ย, อย่างนี้นะไม่รู้จักพุทโธสัมมาทางฟองน้อยอยู่น้องไม่รู้จักดอกว่าจะเอาอะไรมากํากับที่จิตที่ใจของเราปนละ่อยจิตล่องว่อนอยู่ทั้งวีทั้งวันเดี๋ยวความโลภมันก็เล่นงาน เกาินหัวใจของเราเดี๋ยวความโกรธมันก็เล่นงานเกาะขินหัวใจของเราเรื่องความโลภ ก, กับความโกรธมันหาดูไม่ยากหรอกเราดูแค่สามีภรรยากันที่เอาใจกันอย่างไม่ต่อเ น, นื่องนะบางคนชอบแข่งแข็งด้วยพฤติกรรมเข้าหากันบานะงคนทั้งไม่ยอมกันนะเดี๋ยวก็ทุกข์ละเดี๋ยวก็ทุกข์ละเดี๋ยวก็ผลักกันและ้นะจิตใจไม่ได้มีความสงบจิตใจไม่ได้มีความสุขหรอกนะักนะ้าข้ามันจะอยู่แต่ความโลภ ก, กับความโกรธ อิจารทฤษฎีความไม่พอใจความต้องการจะแก้แค้บอย่างนั้นอย่างนี้เราพึงระวังให้ดีกรรมเหล่านี้ทําไปแล้วไม่เสียเปล่าเป็นวิบากกรรมเสริมให้เราลอได้รับแต่ทุกข์แต่โทษแต่ถ้าหากเราอยู่กับบทรรทำทํากรรมวิบากผลรายเหลือเป็นเรื่องของธรรมจะเป็นเหตุให้เราขยับเข้าไปขยับเข้าไปสู่สัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมที่แท้จริงที่พปรองทรงให้เราพิจารณานั้นคือหลักอนิจจังสุขังอนัตตาเพราะภาวะของกายไม่คงที่ ความไม่อยู่กับที่ความไม่คงที่ของกายนั้นพระองค์ทรงตรัสทุกครั้งเปลี่ยนไปเป็นอนันอจกอางเราเห็นไฟของเราเราเปลี่ยนไฟมาเรื่อยเปลี่ยนไฟมาเรื่อยท่านนั้นปีท่านี้ปีมาจนถึงปบันนี้ถ้าเราจะย้อนจากนี้ไปจนถึงในท้องแม่ดูในท้องแม่มีแต่น้าําใสๆไม่มีอะไรเลยแต่เราไม่เคยอยู่เท่าเดิมพัฒนามาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยอยู่ในท้องแม่เจ็ดเดือน8เดือนเก้าเดือนจากน้าําใสๆมาเป็น สีแดงๆเป็นเลือดเป็นเลือดข้นๆเป็น่อนเลือดเป็นขนเนือ้อเป็นปัญจาสาขามีอะไรครบหมดเอาไว้ว่าสาคลอดออกมานี่คือความไม่อยู่เท่าเดิมแล้วก็ย้อนจากนั้นมารู้เดียงสาพราวะว่าเราก็รับทานอาหารเข้าไปอีกในกายของเรานะ่มันมีทั้งตรุงสิ่งที่เจริญแล้วก็มันสิ่งที่เสือ่อมมันมีทั้งเสือ่อมมันมีทั้งเจริญในขณะเดียวกัน แต่หากมันเจริญโดยไวอยู่ในวัยเจริญก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นพอไปถึงวัยเสื่อมพัฒนาปรับปรุงเท่าไหร่มันก็เจริญขึ้นมาดังก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงชั้นอะไรไปให้อ้วนให้แข้งแดงให้อ้วนทีเพราะมันเป็นวัยเสื่อมมันไม่เจริญพร้อมจะถึงมันจะถึงจุดจบของมันแหละคนเรานั้นมีอายุไขจํากัดสัตว์มีอายุไขจํากัดสัตว์บนโลกใบนี้มีอายุไขจํากัดทันทีว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมารู้จักจบมารู้จากสิ้น ภาวะของกายของเราภาวะของจิตของเราไม่คงที่อยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทำไมท่านจึงสอนให้เราพิจารณาเห็นอนิจจังเป็นทุกขงังเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจเดี๋ยวนี้เราประสบความสุขสบายด้วยวัยหรูหรางามงามหูงามตาเจริญใจ ร, เรัเรื่นเรืองเราก็เพลิดเพลิน การเร่งเพื่อเพลินเป็นเหตุกิเลสทั้งหลายมาสวมรอแล้วเอาไปใช้ในทางที่ พ, อพ่อปู่นีกับความโลภโลภความโกรธวิชาวิเสยียตัณหาราคะสิ่งอลไรนี้เวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะพร้อมวงครบวงจรเพรมันเป็นเสร็จอยู่ในตัวเลยมันจะมาด้วยกันที่ได้เข้ามากับความรักพอมีสิ่งอะไรมาขัดห้วยใจปั๊บชังขึ้นมาทันทีสามีภรรยาบางคนฆ่ากันสับสับสับสั บ, ส บ, ส บ, ส บ, สบยังไม่หนำใจอีกอ่ะ บางคนฟาดหมดทั้งโคตเลย <c oughs> เคยเห็นไหมข่าวเขาลงฟาดหมดทั้งคนยังไม่นําใจนานเห็นไหมไปจากอะไรไปจากความรักไปรักมีอะไรมาขาดปั๊บชังเอาตายได้เลยจากรักแล้วก็ชังเกิดขึ้นเพราะอะไรเราขาดสติขาดปัญญาพิจารณาใครครวนแท้ที่จริงกฎของมันอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นกฎที่ท่าให้เราเรียนรู้พิจารณาเพื่อให้เราประมาทไม่ให้เรายิ่งนอำใจ <c oughs> เราจะได้ รู้ว่าโอ้โอโอร่างกายเราจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บและเราไปจะต้องตายไอ้เรื่องตายเนี่ยเราไม่ต้องแก่มันก็ตายได้ว่าแต่ขอให้เราเจ็บบางคนตายแล้วแต่ยอยู่ในท้องแม่คลอดออกมาบางคนตายตอนตกฟ้าบางคนก็อายุประมา15ปี1ิปีบางคนก็ไปกลางคน50ปี60ปีก็ถือว่ากลางคนแล้วก็เลยถ้าเป็นสะพนานสมันก็โค้งลงแล้วมันเริ่มเสื่อมลงมเริ่มเสื่อมลงแล้ววัยของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ในเมื่อเมื่อในวอร์ไวเราเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่นิ่งนอนใจจะได้เรื่องสร้างขวนขวายรู้คุณงามความดีไม่ยึดกายจนเป็นเหตุให้ เ, หใหเราเกิดความโรคเกิดความโกรธแล้วก็ไม่พลักกายซึ่จนเป็นเหตุให้เกิดความโกรธความโรลภความโกรธเกิดอย่างนี้ให้ศึกษารู้ภาวะธรรมชาติของกายโอ้กายจะต้องตั้งอยู่อย่างนี้จะต้องมเ ป, ปลี่ยนไปอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาพวกเรานี้กลัวกลัวแก่กลัวเจ็บแล้วก็กลัวตายแต่พวกเราไม่เคยกลัวเกิดนะเพราะฉะนั้นเราจะมีคันเลี้ยงมันเกิดกันนะแต่ก็เป็นน้ำสอนเป็นสัญลักษณ์ที่ดีถ้าเราตีความเข้าใจไปในทางที่ดีงามพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นเหตุแล้วว่าโอ้แก่เจ็บตายมันมาจากไหนมาจากเกิดพระองค์มีความสามารถตั้งใจประพฤติปฏิบัติหาช่องทางจน ไม่เกิดดับความไม่เกิดได้ไอ้ไม่เกิดได้เขาพวกเราเราฟังดูไปแล้วนี่โอ้ยทำไมเหมือนเหมือนกับเอาเราไปขังไปในที่หายใจไม่สะดวกสบายตีตันอั้นโต้ไปหมดโอ้ไม่น่าอยู่ไงไม่ใช่นี่ยว่าไม่เกิดในชีนี้หมายความว่าเราไม่ต้องมีตันหาไม่ต้องมีอุปาทานที่จะไปยึดไปเกาะเพราะแรงที่จะไปเกิดนั้นจะเป็นแรงของตันหาของอุปาทานวิธีสงบระงรับ ท่านยังให้ระงับดับตัณหาทุกสมุทยัยทุกกระสมุทยัยร่างกายของเราเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกจิตใจของเราเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกเราจะสงบระงับดับกายเราจะสงบระงับดับกิเลสตัณหาหนึ่งไวใจของเราเราจะต้องมาดับสมุทยัยคืออะไรตัณหาความดิ้นรนของใจความทะเยอทะยานของใจ ความดิ้นรนของใจความทะเยอทยานของใจนี่เองมันเป็นเรื่องของตันหาที่มาแสดงออกมาในหัวใจของเราเมื่อเราดิ้นรนตามอำนาจของตันหาแล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาตันหาโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราทีไรเมื่อไหร่อัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาอัตตาตัวตนไม่ใช่เรามองเห็นเป็นรูปเราทั้งก้อนทั้งดุนทั้งแท่งเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ความรู้สึกยึดมั่นถึงมันว่าเป็นกายเราเป็นของของเราเลย ความรู้สึกอยู่ภายในใจของเราเนี่แหละคืออัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมามอย่าลืมว่าอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาความถือเนื้อถือตัวก็มีเรามาเทียบดูตําแหน่งการงานที่เราถืออย่างนี้นมีเรามีหัวหน้ามีรองหนึ่งรองสองเมีคนนั้นฝ่ายนั้นคนนี้ฝ่ายนี้ม่มีหัวหน้านี้อันนี้คือเราเรียงกันเพื่อลําดับทํางานแต่ตัวตัหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจมันถือโดยอัตโนมัติของมันเรารู้ว่า เรามีความรู้รเหนือระดับชั้นกว่าเรามีความสามารถมากกว่าเรารวยกว่าพ่อเราแม่เรามีสามารถกว่าเราฉลาดมากกว่าเราทำงานคล่องแคล่วมีผลประโยชน์มากกว่าไอ้ความกว่ากว่ากว่านี่แหละคือความถือตัวไหนเมื่อมันมีความถือตัวความเพื่อตัวมันก็ต้องมีอย่าลืมว่าความเพื่อตัวมันมาจากไรเพราะมันมีตัวมันมีตัวเพราะอะไรเพราะตัหามันพายึดพาถือว่ามีตัว แท่จริงพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวประทรงตรัสว่านักตาอนักตาอนักตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวกายนี้ไม่ใช่ตัวความเป็นก้อนเป็นแท่งของเขาในเขามาประโขเหมาะอยู่ด้วยกันด้วยอำนาจของกรรมกรมอะไรกรรมของใจที่ไปกับใจนี่แหละไปจับไปจองพวกเราไปบุบัดน้ําใสๆอยู่ในท้องแม่วิญญาณของเราก็ไปกับกรรมกับปิญญาเนี่ยแหละไปจับจองน้ําใสๆในท้องแม่กลายเป็น กายกับใจไปประกอบกันในท้องแม่แล้วก็เจริญวัฒนาถาวรแต่ไม่ใช่เรื่องยังไงก็ได้อย่างนั้นนะได้ตามบุญตามกรรมควรจะได้ยังไงก็ได้อย่างนั้นบางคนไปเกิดในท้องของเศรษฐีก็ตามบุญตามกรรมของเขาบางคนไปเกิดในท้องของยายจาก็ตามบุญตามกรรมของเขาบางคนก็ไปเกิดในท้องของปราดของบริดก็เป็นบุญเป็นกรรมของเขาไม่ใช่ไปเลือกได้ตามใจชอบเรื่องของกรรมอาไรจะสัจจะยิ่งว่ากรรมกรรมจําแนก ด้วยความสัต์จับจริงจังอย่างแท้จริงเรื่องของกรรมในหัวใจของเราในอัตภาพนี้เทนั้นแหละเราพลิ้นปล่อนหลอกลวงต้องตุนกันได้แต่ในอัตภาพในอัตภาพภาวะของของโลกของปราโลกนี่มันเป็นเรื่องของสัตริยธรรมล้วนๆที่จะไปปรากฏคิดตื่นแต่คนไม่เคยทำบุญไม่ให้ทานสร้างแต่กรรมช่วช้าลามกเนี่ยไปอุบัติไปอุบัติในสุคติไม่ได้ทําไมจึงไปอบัติไม่ได้เพราะผลของพฤติกรรมของเขามันไม่มีเลย ถ้าจะว่าไปสำรวจดูในบัญชีพยาโยมมันไม่มีเลยคุณไม่ได้ทําดีเลยคุณไมีแต่ทําชั่วทำํำโหยมีแต่บัญชีทําชั่วเต็มไปหมดบัญชีทําดีคุณไม่มีเลยคุณจะมาได้ยังไงบัญชีทําชั่ววนทาง น, นู่นประตูนู่นไปประตูนู่นนู่นชี้ไปชี้ตามๆพลักลงเหียไปเลยนี่คือบัญชีของพญาโยมที่ทํากรรมไม่ดีแต่บัญชีของคนทําดีนั่นนะ่ะพลักขึ้นพลักขึ้นพลักขึ้นพลักขึ้นเพราะอะไรเพราะสัจจะมันบอกบ่งอย่างชัดชัดเจนชัดจริง คิดดูจะเกิดตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัมภเวษีเลยไม่เคยตะปุ่นไม่เคยให้ทานไม่มีอาหารจะกินเลยมองดูสิ่งที่เป็นสมบัติของเราเห็นแต่กระดาษที่เผาเพราะก็เคยเดี๋ยวฝ่ายเจ้าเผากระดาษเห็นมีขยะมีขี่เถ้าเต็มไปหมดคนอื่นเขามีอาหารกินเต็มไปหมดเขาสงสารเขายื่นมาให้เราเอามือไปยื่นไปรับเมาร้อนไม่ใช่ของเราเอามือยื่นไปรับเม่าไม่ใช่ของเรา แต่ทั้งกายมันหิวหิวหหิ ว, หวมันไม่รู้ว่าร้อนไม่ร้อนมันไม่รู้มันจะหิวหิวเขาให้หมาจะรับหมารับท า, านก็ไม่ได้นั่นคือสัจจะสัจจะของเราเร า, เราทําอะไรเผาไหว้เจ้าเผากระดาษได้แต่กระดาษเราเนะี่ยทุนจีนไปไหแต่เจ้าเผาแต่กระดาษนะนะเราไม่ได้ไปทําบุญด้วยทักษิณายะบุคคลคําว่าทักษิณายะบุคลคลคือผู้ที่จะรับทานของเราจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีศีลมีธรรม มีความดีพร้อมที่จะเอือเอ้ออํานวยให้เราเนี่ยได้รับผลคุณงามความดีจากสิ่งที่เราทําเราถึงจะมีผลสนองตอบตอบสนองเราเราทําบุญกับสต์ก็ได้ทําบุญกับปูกับปลาให้ทานที่นู่นที่นี่นนก็ได้แต่บุญมันไม่พอที่จะช่วยเหลือเราได้แต่ถ้าเรามาทําบุญกับผู้มีศีลมีธรรมจึงเป็นเหตุมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลเขาต้องการไปเลี้ยงสมณพราหมณ์เขาก็ไปเลี้ยงกรามมันมีคํามาทั้ง คำมาทั้งสองคำสัมณะและก็พร่างผู้สมงบในอินเดียนั่นพวกฤาษีชี พ, ร พ, ร พ, รพระะไรพวกพรามพวกอะรนี่เขาตั้งใจปฏิบัติเพื่อสงบระงับดับตัณหามีมากมายตั้งใจตั้งใจเพื่อปฏิบัติเพื่อความเปลี่ยนพระอรหันแต่ด้วยเหตุที่มันติบตันมนุษย์เามนุษยทางถ้าพระจ้ไม่เมาบัตรก็ไปไปกันไม่ได้มีสมัยพุทธกาลนะพยายามทําอยู่อย่างนี้แหละเพราะนั้นจึงเปลี่ยนเหตนให้เขารู้เขารู้เข้าใจและมีความเตรียมพร้อม ก็เป็นเหตุเหตุหนึ่งที่ทําให้พระริเจ้าปฏิบัติในชมพูทวีปเพราะชาวชมพูทวีปเขามีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงสัจกจากในประโลมเปเรื่องของสัจกจากลวนลวนเราไปตลกตะแลนพลิกแผลงเหมือนอย่างในโลกมนุษย์เราทาไม่ได้แต่เราคิดว่าเราทําดีทําดีทําดีแต่พฤติกรรมที่เราทําเราไม่เข้าใจเลยว่าเราทําดีทั้งที่เราทําชั่วมาทั้งหมดเอาสมมุติว่าบัญชีเปิดพยายามยังคงเปิดบัญชีดู นี่ความดีคุณมีนิดหน่อยเท่านี้เองนู่นความม่ดีคุณทับถมมากมาเนี่ยบางคนถึงขัน้นฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยทำอาณาเรียกรรมอย่าลืมว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่ากับฆ่าตัวเองนะอาเวจีมหานรกนีน่ตามสุดเลยแหละมันไม่มีกรรมอื่นมาขั้นเลยนะพอดับชีวชนปักวิญญาณลิ่ยลงไปเลยนะไปได้อัตภาพร่างกายตามบุญของกรรมกรรมเป็นพ่อเป็นแม่กรรมทำให้ดีกรรมพาไปเกิดเทวดาก็ กรรมเป็นพราะเป็นแม่ของกันแต่กรรมดีกรรมดีพาไปเกิดเรื่องการทําดีกับทำไม่ดีมีผลแตกต่างกันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้าเขียนท่านมาแสดงธรรมเพื่อเขียนเสือให้บวกตัวไม่ใช่นะมันมีไหมสุขทุกข์ในหัวใจของเรามันมีอยู่อันนี้แหละเป็นเป็นเรื่องที่ทดสอบให้เรารู้ได้ว่าดีกับชั่วในหัวใจของเรามีเกิดขึ้นจากอะไรจากอํานาจของตัณหา ต้องการจะสงบระงับมันได้เราต้องอยู่กับบททำทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากถ้าเราไม่เอาทำมากํากับที่ใจของเรากิเลสมันจะทำตามเรื่องของมันที่จะเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลของวิบากกรรมจะต้องให้ผลเราเล่นงานเราอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสยัยเป็นสิ่งที่พูทธบริษัททั้งหลายควรได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจเ ว, เวลาเราพูดมาถึงตรงนี้ mm. ก็หมดเวลาพอดี พุทธะย่อให้เรียนมากไปก่อนนี้เกี่ยวกับเรื่องตั้งใจภาวนาอะไรต่ออะไรมากมายกว่า น, นี้ก็ทําไม่ได้ระยะนี้ตอนนี้ขอสงบระงับได้แค่นี้เราจะมีปัญหาถามบ้างสักข้อสองข้อก็อออน่าจะพอได้อยู่ถ้าหากเราจะให้บ่ายนมงเป็นเพดานเวลาของเราเอาเรื่อไปเลย <c oughs> ใครตั้งอีกตั้งอีกโอ้เต็มเลยน <c oughs> เนาะฮะเงยหน้าขึ้นมาเต็มหมดเลยไม่ใช่หัวใจหนึ่งเดียวนะหัวใจทุกๆดวงเลย ฟังเข้าใจรู้เรื่องมันไหมหลวงพ่อพูดอะไระได้เลยให้เวลา5นาทีถ้ามีคำถามจะตอบไม่งั้นแล้วพวกเราถึงเวลาถวายของอะไรอื่นแล้วก็ันได้มีไม้ถ้ามี เีมีผ้าพอดีแล้วนี่เอามาได้เลยอ่าคือถ้าตัหาเยอะกค่ะเออจะทจะมีวิธีตันหาเยอะถอือว่าบางทีก็ไม่อยากรถตันไม่อยากอะไรนะไม่อยากรถตัหาเ อ, อไม่อยากเช่นอะไรตันหาที่เ<ก>ราว่าหน่ย อ, อยาก้อยากีอยากเป็นหเงี้ยค่ะอยากอะไร ต้องพูดให้ชัดเจนอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากได้อยากมีอยากไม่ต้องพูดให้ชัดเจนว่าอยากได้อะไรอยากได้ศีลอยากได้ทานอยากภาวนาอยากปฏิบัติอยากมีสมาธิอยากมีปัญญาถ้าอยากอย่างนี้ถ้าอยากอย่างนี้เป็นมรรคให้รีบจัดรีบสร้างรีบทำแต่ถ้ารยยะมีเงินเยอะ เรามีปัญญามากๆเรามีเรามีกิจกรรมสูงๆทำให้เรามีผลรายเหลือที่สุทธิประสิจาิการลักการช่อการบิด ก, การเบี้ยวเป็นการได้มาด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสุจริตอยากเท่าไรเราก็ไม่มีโทษไม่เปลี่ยนโทษแต่ถ้าเราเราอยากไม่ออานักของความโลภโลภความโลภที่ไปเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นเสียเปรียบทำใหคนอื่นเสียประโยชน์ทำให้คนอื่นเสียใจ ความอยากแบบนี้เป็นกิเลสทั้งดุน้นขอให้เราสงบขอให้เราระงับขอให้เราลดขอให้เราเวน้นเรื่องความอยากอย่างเดียวมันไม่สาเร็จหรอกเราจะต้องไปทำเอาเพราะมันยังไม่ไม่ครบเหตุครบปัจจัยเรามีความอยากอยู่ในหนัวใจของเราเราจะต้องใช้กายสนองเราจะต้องใช้วาจาสนอง แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีเราต้องพยายามลดเอานึกคิดนึกปรุงในใจว่ามันชักมันโดยสิ่งไม่ดีเราพยายามลดพยายามพยายามระ ง, งับไม่ให้มันมล้ำเลือดทะลักออกมาที่กายกรรมที่วิญญกรรมนี่คือข้อปฏิบัติแต่อย่าลืมว่าเราอยากได้นุ่นอยากได้นี้เราอยากได้อย่างเดียวมันไม่ได้ดอกเราจะต้องไปสอบแสวงหาเอากายมาสอบแสวงหาเอาป่ามาพูดเออไปช่วยห า, ามาให้เราช่วยหานี่มาให้เราถ้าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์พูดโธรไม่เบียดเบียนเขาอันนี้เป็นเรื่องของธรรม เราไปสอบเสวียามาได้ที่พระพุทธเจ้าททรงตำหนิความโลภคือความโลภที่ทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนจากพฤติกรรมของเราไปเบียดเบียนตัดหน้าตัดตาเขาไปเบียดเบียนตําแหน่งหน้าที่ไปเลื้อยข้ากับอี้ขากับอี้เขาอย่างเงี้ยความโลภแบบนี้เป็นเบญเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมด้วยผิดศีลด้วยให้พึงสํารวมเรามาระวังเอาอีกปัญหานึงเสร็จแล้วจบให้พร ยังไงครับมีอะไรอ่าของเหลวอ่าหมดแค่ น, นี้ใช่ไหมอ่าหมดแค่ น, นี้ปัฒนาทานได้น้โม่เดี๋ยวเราถอดสถนะนอกันนะคะน้โม่ พโมทัษษษษษษษสสะภะคะวะโตอะะหสมมาสมุทัสสะ วัดดีดันหา เป็นรายได้เป็นอาหารไม่ไม่ต้องต่อป<า>ัจจ<า>ัยก็วางไว้ทางหารใจวางไว้ทางหารปัจัอ โบราณนะสลาครับโบราณสลาสลาพลังยกยกให้มันสูงขึ้นโอ้โหขอไหมมามาเข้าเลยครับครับครับอ๋อันนี้รับทานอาหากางวันกันแน่นนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเข้าเข้าทงานได้เลยให้เด็กหน่อยที่เราทอดโอ้ยรับของฝากนี่มันลำบากนะไปร้งพ่อใช้เองหมดนะเนี่ยนพ่อค่ะการ ทำไมเต็มแก้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยอ้ยรูปไปอยู่ในน้เต็มได้ยังไงฮะ่ค่ะโอ้ลง่อไปอยู่กรทังในแก้วตนี้ับขอเก็บไปดีนี่อะไรอใรับอนครับ เสิีใครต้องการใครใครจะรับไปแจกเดี๋ยวปิ้งไปอารับแล้วเดี๋ยวไปไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็มีเขามีส้ยาวมีเาไสั้นมีเสั้นีเส้นยาวยาวไม่มีร้อ็กันยาวตัวตัวนี้ตัวนี้มีถลายสิกันแต่ว่าผมเป็นกันหนึ่งในที่ที่หลวงปู่บุญญฤทธ์ก็มีใช่ไหมครับมันที่1งันที่หนึ่งูมมีีมีที่ประตูบรรลามันก่อนแล้วก็มี สื่อลงกีก็มีใช่ไหมที่อลงกรีก็มีมีครับมีครับของพวกนี้มีครับม <c oughs> สนะีสื่อธรรมะนี่สำคัญนะฮะสื่อธรรมะวันคืนยืนเลินนั่งนอนถ้าหากเราไม่สนใจเรื่องธรรมะมันจะมีซึ่งกิเลสเข้าไปไปปรุงให้กับใจของเรานะสื่อกองกิเลสมันก็นําทุกน้ำโทษมาให้เราเราเอาสื่อธรรมะกรอกใส่หูเลยมันซึมซับเข้ามาไปหาใจมันเป็นการศึกษาโดยอัตโนมัติ ฟังนูน่นนี่บางคนฟังพระไตรปิฎกเนี่ยทั้งๆเราไม่เคยมีโอกาสได้รู้ได้ฟังได้อ่านพระไตรปิฎกเลยกลายเป็นว่าเราได้ยินได้ฟังซีมซับว่านั่นยิ่งละเอยยิ่งวิจิตรวิสัยยิ่งลึกซึ้งถึงอกถึงใจจริงจริงเราฟังก็ไปเถอะธรรมะของครูบาอาจารย์ที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยจะพยายามเอาของที่เป็นสัจจะมาบอกมาสอนให้พวกเราเราให้กําลังใ จ, ใจให้กับพวกเราแต่ที่สําคัญที่สุดพวกเราต้องให้โอกาสกับตัวเอง หาเวลาให้ทานให้มากๆรักษาศีลให้มากๆแล้วก็ไปทําใจให้สงบให้มากๆากที่จะนาให้เกิดปัญญาตัางใจเกลียดปัญหาในหัวใจของเราเราสงบแล้วดับได้ทีไรเมื่อไรเราก็หมดภพหมดชาไม่ต้องไปเกิดเราเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์องค์เจ้าท่านทรงตรัสวู้นี่แหละประมังสุขังประมังสุขขงั ง, ขงเป็นบระมสุขอย่างยิ่งมันไม่ใช่มันทุกข์ยากลาบากเหมือนคนลิ่นใกล้จะตาย มันก็ถูกปิดขังไว้ในที่ที่ไม่มีลมหายใจแต่ความไม่เกิดมันลักษณะอย่างนั้นหแรบบือเปล่ามันไม่ใช่วามไม่เกิดเตรงะลมายว่าทุกไม่เกิดนะสังขารเกิดที่ไหนกองทุกเกิดที่นั่นกองทุกเกิดที่ไหนสังขารเกิดที่นั่นอย่าลืมว่ากายสังขารจิตสังขารของเรามันจบไม่ได้เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันหมักเคลือ่อนมันมาแฝงก็ราไม่ชะล้างด้วยสมถะไม่ชะล้างโดยวิปัสนามันก็จะเกิดตะแกยีแกยงท้ายเกิดแค่นี้ยังไม่จบ เพราั้นหลักพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าให้ละชั่วให้ทําดีท่านสอนละเอียดยิ่งมากไปกว่านี้ให้ทำใจให้บริสุทธิ์ตามหลักสมถะตามหลวิปัสสนานี่เองคุณไวยาที่พระพุทธเาท่านบอกท่สอนี่ถึงจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้ธรรมะตรงนี้ได้แต่เราจะต้องขยับมาตั้งแต่ให้ทานหัดตั้งแต่ให้ทาน ร, รักษาศีลจะต้อรู้จักเสียสละตั้งแต่ของหนักของเบาไปหาของหน like, ักของละเอียดของที่มีคุณค่าน้อยๆไปถึงของละเอียดสูงสุด สลับได้แมก้กระทั่งชีวิตสละได้แมก้กระทั่งธาตุขันของเราเยอย่าลืมบ อ, อกความเป็นพระราษฎรสลับหมดนะไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรขันทั้งห้าเนี่ยเสียสลับกายเป็นาสัญญสเดียนรู้เข้าใจแล้วปล่อยทิ้งไว้หมดเมื่อก่อนมันเชิงชาบทาไปกับจิตคือผู้รู้ของเราพอลาสิ่งนี้หมดจากจิตแล้วแต่จิตสะอาดบริสุทธิ์หนึ่งเดียวเขาไม่เรียกสังขารไม่มีอนิจจังจไม่มีตุกขังไม่มีหน้าตา ไม่มีเพราะไม่มีชาติที่จะต้องไปอัติไม่มีอายุไขจํากัดวันนั้นปีนั้นปีดํารงตอนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการก็อนันตการก็คือไม่มีขอบเขตจำกัด น, นี่คือความเข้าถึงจุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสออกมาไว้พวกเราฟังเป็นกลุ่มหมายปทางและ ต, ตั้งตั้งแต่ไปถึงก็แล้วกันนะนมวสนาสาธุกับทุกท่านที่ให้โอกาสกับตัวเองนําความสุขโดยศีลโดยธรรมพระสูขไว้ใจของเราขออนุโมนากับทุกต่างทุกคน อิชิตังปฏิตังตุมหังคประเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธ า, ามมิโชติระโสยถ า, าสพีติโยวิวัชชนตุสพโรโควินัสตุมาเตภวัตวรรตรายโยสุขีทีคายุโกภวะภิวาธนสีริสริจังุธทธาปะจายโนจาตารโรธรมาวัทันเต อายุโนสุขังฟ้าล่างภวะตุศัพท์พระมังฆลังรับขันตุสปเทวตาสัพพุทธานพาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตพระวุตสัพท์พระมังฆลังรับขันตุสปเทวตาสัพธมานพาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตพระวุตสัพท์พระมังฆลังรักขันตุสปเทวตาสัพสังขานพาเวนะ ศรัทธาโสถีพระวันโตเตมอะไรติดค้างอยู่ในจิตในใจก็เอาไปถือตามให้มีติดไปบ้างเด้ออย่าทิ้งไว้ในนี้ทั้งหมดนะอย่าให้หลวงพ่อเอากลับไปคืนทั้งหมดนะเดี๋ยวตอนไปนะเดี๋ยวเรากราบพระอาจารย์พร้อมกันสาครั้งนะครับแล้วก็กลับแล้วก็ไตนะครับ พอเสร็ครขายก็ออกไปเดี๋ยวจะวางซีดีไว้ตรงข้างหน้าแล้วก็ยิงคนละแผ่นนะครับขอบคุณนะครับสวสารริษัทลูกหน้านะครับถ้าเราไม่แจกจะต้อถึงกันไหมให้เราเจอดซะก่อนที่ถ้าเผื่อมันของมันไม่ครบประเด็น อ, อีกใครไปบ้างแล้วก็ยังไม่ต้องเอาไปแล้วไม่อาอะไรอีกเนาะ <c oughs> <c oughs> อันเชลีวันพาาน